อ้าศึกษากันต่ออ่าเหลือแค่นี้เองหาให้หมดแล้วเ ร, เรื่องทานกุศลเข้าใจหมดหรื อ, อยังเข้าใจหมดหรื อ, อยังฮะทานกุศลเข้าใจหมดหรื อ, อยังชัดเจนหรื อ, อยังเนี่ ย, เ, ออยเข้าใจคําว่าทานของสัตว์บุรุษหรื อ, อยังหประการ ศรัทธาทานเข้าใจยังเข้าใจเข้าใจทานของสัตว์บุรุษได้ยั ง, อยงเอ๊ะไ้บอกไปแล้วยังไงพระบรมศาสดาตรัสว่ายังไงดูก่อนบิกซ์ทั้งหลายสัปปุริสตาทานห้าประการเึ่งเป็นทานของสัตว์บุรุษเนี่ย หาประการนั้นได้แก่เป็นชไหนการให้ทานโดยความเชื่อด้วยความเลื่อมใสและผลของการของกรรมและก็ผลของการกระทําอันนี้เป็นศรัทธาทานนั้นอย่างหนึ่งใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเชื่ออะไรเชื่อกรรมและของกรรมแต่นี่แข็งแรงไหมถ้าเชื่อกรรมและผลของกรรมเนี่ยแปลว่าเขาเข้าใจเขามีปัญญาไหมเนี่ย ม, มีปัญญาเป็นสัมปชานญทาน น, นเนี่ย มีความรู้มีความเข้าใจกรรมและผลของกรรมเขาจึงเชื่อมั่นเมื่อมีความเชื่อมั่นตรงนั้นแล้วใช่ไหมเป็นศรัทธาทานเนี่ยนะประการต่อมาการบริจาคทานโดยความเคารพทั้งกระทําให้ตนเองและทายาธรรมสะอาดหมดจดอันนี้ก็เป็นสักกัจจะทานนอย่างหนึ่งอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยให้โดยความเคารพซึ่งหลายท่านที่ผ่านมาก็กําลังรับผลของทานกุศล ที่ไม่ดีในข้อนี้ที่ให้ไม่เป็นในข้อนี้มาอยู่ประการที่สการให้ทานนะการบริจาคทานให้เหมาะแก่การเวลานั้นนั้นอันนั้นเป็นการลทานที่ได้กล่าวไปแล้วไงการลทานเนะี่ยเช่นบุคคลที่จะมาจะไปเป็นต้นเหล่านี้นะการบริจาคทานโดยการสละอย่างแท้จริงไม่มีการยึดติด ไม่หวงแหนในวัตถุทานนั้นนันอันนี้เป็นอนุขหิตตทานนั้นอย่างหนึ่งแล้วการวาอยากทานโดยการไม่มีการกระทบตนและบุคคลอื่นอันนี้เป็นอนุประหจรทานนั้นอย่างหนึ่งสรุปก็คือว่าศรัท ธ, ธาทานส ก, กัจจทานกาลาทานอนุขหิตตทานแล้วก็อนุประหจรทานใช่ไหมศรัท ธ, ธาทานเป็นยังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้บริจาคทานโดยการเลื่อมใสด้วยความเชื่ออย่างเด็ดเดี่ยวเชื่ออย่างมั่นคงนี้กําลังไล่ถูกข้อไปตามลําดับนะเชื่อในการกระทําและผลของการกระทําอันนี้เป็นผลของทานชนิดนี้เมื่อเกิดในภพต่ อ, ต, อต่อไปเป็นผู้มั่งคัง่งได้ทรัพย์ทั้งพร้อมไปได้วยกามาคุณมีรูปร่างสันฐานงดงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสผิวพันวันนะก็ผ่องใสเปล่งตางด้วยนะ ถามว่าเชื่อกรรมและผลของก ร, รมเนี่ยสิ่งแวดล้อมจะดีไหมอัตภาพคือความสมบูรณ์อย่งภพชาติก็ดีใช่ไหมความสมบูรณ์อย่างขันจะดีไหมเห็นไห ม, มเพราะมีความเชื่อกรรมและผลของกรเรพราะมีความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมละเอียดอ่อนมากกรรำประเภทนี้เวลาให้ไปเนี่ยนะก่อนให้ขณะให้หลังให้นี่นะชัดมากเพราะมีการเชื่อตัวเจตนากรรมอย่างชัดเจนเชื่อเหตุผลนั่นเอง เชื่อเหตุผลแล้วเข้าใจเหตุผลใช่ไหมมีความศรัทธาด้วยแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในในเหตุผลนั้นๆด้วยเพราะอันนี้อย่าลืมนะเป็นสัพ ป, ปริสทานนะทานของสัตบุรุษทานของสัตบุรุษพระเจ้าจะมีศรัทธาทานไหมพระเจ้าเชื่อมั่นในสัมมาสัมโพธิญาณไหมใ ช, ใช่ไหมนั่นแหละถึงกล่าวไว้ไงว่าทานนากุศลที่บอกว่าสักกะสมบัติมาละสมบัติ พรหมสมบัติจักพัทธสมบัติสาวกบารมียานปัจเจกโพธียานและอภิสัมมาสัมโพธิยาณอภิโพธิโพธิยานทั้งหลายอันนี้มาจากอะไรเนี่ยมาจากความเชื่อศรัทธาทานเป็นต้นนั่นเองทุกข้อเลยนะพ菩าสดาจะทําทานเป็นเมื่อนี่เราก็ต่อไปก็ทําเจริญทานกุศลให้เป็นที่ทำไมจึงมีความเชื่อมั่นในเจตนาดวงนั้นจัง เจตนาที่เป็นไปกับชาวนะดวงที่หนึ่งสอสาสี่ห้าหเจ็ดที่ปารลวัตถุทานนั้นๆทําไมมีความเชื่อมั่นเจตนาตรงนั้นจังเพราะเชื่ออะไรเชื่อเหตุเชื่อเหตุเชื่อกุศลเหตุก็กําลังปลูกอยู่ใช่ไหมถามว่าเจตนาตัวนั้นเป็นพีชานิธา น, ธานากิจไหมหกําลังเพาะมาเมล็ดพันธุ์อยู่ไหมหกําลังเพาะอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละเจตนาที่หยั่งลงแต่ละเม็ดแต่ละชิ้นนั่นแหละ กำลังเพาะนั่นนหละเชื่อมั่นเลยว่าเชื่อผลได้ไหมเห็นผลนั่นน่ะก็ท่านทําปุ๊บท่านเห็นผลนลก็เหมือนที่พระโพธิสัตว์ท่านพิจารณาทานกุศลของท่านเป็นต้นเห็นไหมตอนได้รับพยากรเบ็เสร็จเนี่ยท่านเห็นสัมมาสัมโพธิญาณหรือยังเห็นแล้วท่านมีความสําคัญว่าสัมมาสัมโพธิญาณประดุดังเห็นไหมอยู่เฉพาะหน้าเลยอะ ทำยังไงเราจะเห็นผลเฉพาะหน้าได้นี่แหละเป็นทางดำเนินของเราถามว่าวงของเราเนี่ยดำเนินแบบนี้ไหมวงพทธเจ้าเนะท่านเดินทานกุศลแบบนี้ท่านเจริญศรัทธาทานอย่างนี้ท่านมีความเชื่อเจตนากรรมเชื่อผลของเจตนากรรมท่านเชื่อเจตนาที่เป็นทิฏฐาธรรมเวทนยกรรมไหมเชื่อผลของเจตนาที่เป็นทิฏฐ ธ, ธ ร, รมเวทนยกรรมไหมว่า เจตนาดวงที่หนึ่งที่เกิดขึ้นจากการวปารลวัตถุฐานนี้จะให้ผลในภพนี้ท่านเชื่อมั่นไหมชเชื่อมั่นแบบผ่องใส ไ, ไ, ไหม้เชื่อมั่นอย่างผ่องใสอย่างเด็ดเดียวด้วยนะเนี่ยฉะนั้นตัวศรัทธาทานที่เชื่อมั่นในปุพพะเจตนามุนจ่าเจตน า, า, นาอภราเจตนาที่เกิดขึ้นในชาวนะดวงที่หนึ่งท่านเข้าใจแล้วในะเจตนาที่ฝังลงในชาวนะดวงที่หนึ่งทุกกุศลชาวนะที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นนี่ย ท่านเชื่อมั่นว่าจะมีผลในปัจจุบันภพแล้วท่านก็เชื่อมั่นว่าชานะดวงที่เจ็ดจะให้ผลในภพถัดไปแล้วท่านก็เชื่อมั่นในเจอนาดวงที่สองถึงดวงที่หกจะให้ผลในภพที่สามเป็นต้นไปจนกว่าจากมิพานเนี่ยนะเอ๊ะแต่เคยไปเห็นบางคัมภีร์กล่าวไว้นะเป็นเรื่องน่าคิดท่านบอกว่าให้ผลนิด นึกไม่ออกถ้าใครเคยเจอเขจะว่าเจตนาในโชนะดวงที่สองถึงดวงที่หกเนี่ยให้ผลห้าอัตภาพเฉพาะในปฏิสนธิการส่วนในประวัติการจนถึงปรินิพานนีอันนี้เพิ่งอันนี้มาฟังแปลกๆเนี่ยใช่ไหมเคยได้เหนนะ็นไม่รู้ตรงไหนพยายามตามหาอยู่เนี่ยประหลาดจริงไ ม, ไมไม่ประหลาดดี เนี่ยเคยเจอเดี๋ยวจะต้องไปตามีไม่แบบไม่เคยเจอหรือประหลาดจริงๆฮะไม่ใช่ท่านไม่นับดวงท่านไม่นับดวงแปลว่าหมายความว่าเหมือนจะให้เหมือนคล้ายๆให้ในปฏิสนธิการ5ชาติอย่างนั้นนะและตอนนั้นจะให้เฉพาะในประวัติการไปจนถึงบริธญาานเอามาก็เอ๊ะแปลกดีไม่รู้เคยได้ยินนะ แต่ก็นี่มันลืมมาซะแล้วแต่ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนจะลองตามตามดูถ้าใครเจอก็ช่วยตามตามหน่อยตรงนี้นะอันนี้ไม่มั่นใจนะเออถ้าใครเจอเจอที่ไหนก็ช่วยตามมาบอกบอกกันหน่อยแต่คําว่านี่ไงว่าความเชื่อมั่นในเจตนาในชาณนะดวงที่หนึ่งดวงที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เข้าใจผลจะม่เชื่อในผลที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยพี่ยศบ ใช่จริงๆเรื่องเรื่องกรรมไปกำหนดอย่างนี้ฟังแล้วมันก็มันก็ น, กนั่นไงใช่ใใช่แต่ว่าเอ๊ะทำไมพูดแปลกๆดีแค่นั้นก็เลยมาเล่าสู่ฟังว่าเป็นคาพูดที่แปลกๆนะเป็นคาพูดเพราะจริงๆเรื่องกรรมนี่เป็นอาจินไตนะเป็นอาินไต่นะ แค่นั้นตรงนี้ศรัทธาทานตรงนี้นะพลั่งพร้อมด้วยกามคุณแล้วก็รูปร่างสันฐานงดงามเป็นต้นอันนี้คือความเลื่อมใสตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหรือพระพูทมีภาคเจ้าทั้งหลายศรัทธาทานของท่านที่ท่านมีความศรัทธานในทานกุศลเป็นต้นเหล่านี้ของท่านแข็งแรงมากนั้นความที่ท่านมีสัมปชา n ท า, านด้วยมีความเข้าใจ ในเรื่องของทานากุศลเนี่ยทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นต้นได้เนี่ยเวลาท่านเจริญสัพพฤษสถานท่านเนี่ยท่านถึงชัดเจนในด้านของเชื่อกรรมนะและก็ผลของการกระทําเหล่านั้นคําว่าเชื่อกรรมและผลของการกระทำเนี่ยถามว่าเราจะคิดเพื่อจะปลุกเร้าคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจากทานกุศลก็ต้องมีความเข้าใจด้วยนะว่ากรณีที่เราได้กระทําไปเนี่ยอย่าลืมนะว่าชาวนะที่เกิดขึ้นอันมากมาย มีทั้งชาวนาดวงที่หนึ่งมีทั้งดวงที่เจ็ดมีทั้งสองถึงหกเนี่ยนะการให้ผลเนี่ยนั้นเหตุต่างๆที่ประกอบไว้เนี่ยคําว่ามากมายตรงนั้นอ่ะเราจะต้องสามารถทําให้เกิดขึ้นให้มากได้ด้วยเมื่อเกิดขึ้นทําให้มากได้เบ็ดเสร็จนั้นเน่ยแปลว่าศรัทธาเชื่อมั่นผลของการกระทําเป็นต้นด้วยส่วนในข้อสองที่สักการจทานเนี่ยบริจาคทานด้วยความเคารพเนี่ยที่ถามว่าเคารพในที่นี้นแปลว่าอะไรมาจากศรัทธาเป็นตัวกระตุ้นด้วยใช่ไหม เขาลรพตัวเจตนาเพราะเหตุผลชัดว่าชัดเจนในเหตุกับผลเนี่ยนะในในอดีตเหตุปัจจุบันอ่ะผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลตัวเนี้ยว่าจริงๆในโลกใบนี้คือเหตุกับผลเนี่ยพอชัดเจนตรงนี้เบเสร็จแล้วเนี่ยทำทายาทธรรมนะทําตนเองด้วยและทายธรรมให้สะอาดให้หมดจดด้วยเนี่ยตรงเนี้ยที่ดรดาถามว่าเออใช่ไหมมาถามเรื่องลูกศิษย์ก็มามากร น, นีไง ถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อผลของทา น, นกุศลของส ก, กัดจทานของเราไม่ดีนาะตอนเนี้ผลิตผลแล้วด้วยการให้ไม่เคารพนี่แหละผลของทานเหล่านี้เราจึงมีญาติมิตรบริวารไม่เชื่อฟังและแถมยังมาตําหนิเราให้ความเดือดร้อนกับเราอีกด้วยพอเห็นอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็สะดุ้งเลยต่อไปก็ประกอบใช่ไหมการให้เนี่ยประกอบในปัจจุบันนาคาไม่ชัด เพราะจะได้ส่วนหนึ่งเป็นแรงต้านได้ด้วยใช่ไมเป็นแรงต้านด้วยนะีเพราะทิฏฐาธรรมเวณนิกรรมให้ผลได้นี่จะไม่ตั้งให้โดยเป็นปริมาณกุศลนี่เบียดเสร็จก็ยังพอจะใช่ไมพอจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ถูกตาหนิบ่อยๆใช่ไมจากญาติมิตรเลยสิทธิลูกศิษย์ลูกหาไม่เชื่อฟังแล้วถามบอกว่าเป็นเรื่องปกติทำไมาได้เจอเรื่องอยู่เรื่องหนึ่ง พี่พระเทระเล่าให้ฟังท่านก็พยายามสอนธรรมะนี่นะสอนลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งมาเจดแปีฉันจบหมดนะจบเอาพิธามจบพระสู่รจบอะไรต่างๆไม่รู้ไปทํำยังไงลูกศิษย์ขัดเขืงแต่นี่ก็ลูกศิษย์เขาเรียนจบแล้วเขาไปส่งลูกศิษย์สมัยนั้นมันเป็นเรือใช่ไหมเขาก็ไปส่งลูกศิยยนะกษย์ลูกศิษย์เรียนจบแล้วก็ไปยืนไปยืนส่งอยู่ท่าท่าเรือเออดีนะอาจารย์ก็มาส่งต่งางๆ พอเบสเสร็จพอเก้าเหลือออกไปสมัยก่อนต้องนั่งเรือกว่าจะไปถึงกรุงเทพนี่นะลูกศิษย์เขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งโยนกลับขึ้นมาท่านก็โอ้เขียนอะไรเนี่ยเมื่ออ่านเขบอกเสียใจเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นลูกศิษย์ของท่านนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ใช่ไหมอันนี้ชัดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีสั ก, กจะทาเนี่ยอโกศลมันให้ผลใช่ไหมาทานประเภทเนี้ให้ทานผิดในข้ออนันนี้มันให้ผล ก็บอกโอ้โห แ, แต่ท่านก็บอกหึงกำรแะแรงแเหลือเกินมากระนึกในใจเลยนะพอฟังเบสใสกระนึกถึงข้อนี้ยังไงนี่แหละการให้แบบไม่เคารพมะจะเป็นแบบนี้แหละใช่ไหมมีการนะมีการให้แบบว่าเออถ้าให้โดยความเคารพทั้งกระทําตนเองและทายาธรรมให้สะอาดหมดจดตนเองในที่นี้ท่านขับเน้นเจตนาขับเน้นเจตนาที่เป็นไปกุศลขับเน้นกายกรรมวีกรรมด้วยนะ แล้วขับเน้นตัววัตถุทานนะผลของทานชนิดนี้ก็ได้อัถภาพที่เหมาะสมอยู่แล้วแล้วก็บุตรภรรยาสามีข้าทาสบริวารทั้งหลายลูกเสษ็์ลูกหาทั้งหลายก็เชื่อฟังเอาอกเอาใจไม่ได้ขัดใจในการงานทุกประการนี่นะทานประเภทนี้ให้สังเกตดูนะบางคนสอนผิดเนะี่ยลรคเสด็์ลูกหาลูกคเสด็จโรหาก็เอาใจเต็มไปหมดนะอย่าลืมนั้นผลของบุคลท่านด้วยนะเนี่ย ทานที่ท่านทำถูกมาในอดีตนะแต่ปัจจุบันนี้ท่านมาผิดพลาดวิปริตเนะนี่ยท่านก็ว่ากันไปนะเคยสังเกตไหมบามงคนนี่เต็มไปหมดมองคนนี่ไปที่ไหนพังที่นั่นนลพังที่นั่นลเลออประหลาดแท้ใครทำมาเนี่เเจตนาในอดีต ท, ที่ผิดพลาดผลปัจจุบันก็เกิดถ้าเจตนาปัจจุบันผิดพลาดเดียวนาคดก็จะไปเจออย่างงี้นะ เ พ, เพื่อจะหนักกว่า น, นี้อเจ็ปวดอย่งชีวิตเจออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยบางทีก็ลูกหลานเรานี่แหละใช่ไหมพอบอกบอกไปเสร็จแล้วก็มึนตึงเชยพ่อแม่พี่น้องเลยคุ ย, ค, ยคุยไปบาทีพูดพูดละดูเหมือนนั้นแะ่เขานะ่รับก็อ้าวกระด้างกระเดื่มกันึ้นมาย่อยู่อย่างนี้อย่าแปลกใจเลยถ้าหด อันนี้เราก็อย่าไปเอาทําแบบนี้นะว่าแต่เราจะไม่ขัดเครืองแม่ขับเครืองพ่อบ่อยก็เพราะแม่ทํามันไม่ดีถึงเป็นอย่างนี้ต้องตุ้นใจถ้าฉันเป็นอย่างนี้ ไ, ไปทำกันยิ่งยุ่งเลยการลทานก็คือว่าอันนี้ก็บอกไปแล้วมีทั้งห้าอย่างที่กล่าวไว้อันนี้ก็คือว่าผลที่เกิดขึ้นจากการลทานในการลทานในสูตรนั้นนะเนี่ยที่ให้บุคคลที่จะมาจะไปเป็นต้นหลไรเนี่ยนะให้เหมาะสมอาหารนี่นะ ที่เกิดขึ้นมาก็เหมาะสมใช่ไหมตอนนี้ให้ผลไมใ้ให้อะไรต่างๆหน้าฤดูการหน้าอะไรต่างๆเป็นการลาทานหมดเลยนันเนี่ยก็ไปพิจารณาวิจัยเฮียแยกแยะเยอะฉะนั้นในกรณีนั้นเหมาะสมต่างๆแต่ว่าใจที่คิดอย่างนั้นก็ให้เป็นไปกับกุศลด้วยเนาะท่านขับเน้นเจตนานี่นยแหละตรงนี้เวลาได้รับผลก็ตั้งแต่ปฐมวัยมาชิมวัยปัดฉิมวัยก็คือเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยเลยเนะส่วนอนุกเฮตาทานอันนี้ชัดเลยนี่นี่ย อันนี้ก็แปลว่าให้ทานสละอย่างแท้จริงไม่ยึดติดเออมันมีแบบนี้นะทานที่เอามาเป็นตอนไหนรู้ไหมทานที่เราไม่ได้ตั้งหลักเข้าไว้แล้วมีคนเอาให้ก่อนบางทีเขาเดาเราเราก็ต้องใส่ต้องใส่ไม่หวงหรอกเพราะเออเราแอบไปไม่ได้วิจัยบางชิ้นใช่ไหม แล้วอย่างหนึ่งบางครั้งเราตั้งใจไว้ไงว่าเราจะเอาไปประกอบกุศลประเภทนี้พอมาดูหายไปซะแล้วบอกโอ้โตั้งหลักตั้งหลักไม่ค่อยทันตรงนี้นเคยเป็นไหมบางทีเอบหายไปไหนก็บอกเขาเอาหยิบทาบุญไปแล้วเราไม่ไหวแล้วเกิดเราจะตั้งหลักไว้ทําตรงนี้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้โอ้โหจะเจอบ่อยมากเลย เคยเป็นไหมเคยเป็นองี้มันรู้สึกว่าความรู้สึกหูแอฟขึ้นในใจทันทีแต่ก็ต้องรีบจัดการนะความรู้สึกตรงนั้นนะต้องรีบจัดการตรงนี้จะเป็นเหตุทําให้เหมือนกับคนเฝ้าทรัพย์ไม่กล้าใช้สอยทรับนะทำให้ไม่กล้าใช้ซัพย์มีมากก็ใช้ไม่เป็นบริโภคทซั์ไม่เป็ น, ปนจะใช้มันรู้สึกหวงไปหมดนะเนื มันรู้สึกหวงรู้สึกยึดติดไปหมดเวลาจะใช้แัตุทีก็เอาของประเพที่มันผุผูฟังฟังมาอย่างเนี้ยไอ้ตรงนั้นเอาไว้ดูไว้เฝ้าอย่างเดียวแต่มันก็ได้นะได้ลาบก็คือได้ดูได้เฝ้าไงได้เฝ้าเ น, นี่ย ใ, ให้แบบยึดติดไม่สละอย่างแท้จริงไงนะต้องสละไหมต่อไปต้องสละไหยผล เวลาผลเกิดขึ้นมาจะได้ไม่ติดนันมันให้อยู่แล้วผลที่ให้ระดมให้กันขนาด น, นี้ผลต้องไหลมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่จะเมื่อไหร่อย่างไรนั้นก็ต้องดูจากการที่ทำถูกการถูกบุคคลถูกอะไรก็ว่ากันอีกรายละเอียดถึงนั้นยนะแต่ว่าเวลามันมันให้ผลมาแล้วนี่เออมเป็นอย่างนี้ด้วยเนะี่ยมาเคยเคยเจริญทานกุศลแบบว่าพอได้อะไรต่างๆมาก็ระดมระดม ให้พระในวัดแล้วก็ถึงเนรแล้วก็ถึงบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆก็แจกทีหลังนเนี่ยพอให้ให้ไปนะเข้านะเข้ามารยาหลังเนี่ยพอเราเริ่มไม่ให้เขาโกรธแล้วก็จะ <c oughs> เออเนี่ยต้องเราอ่ะนี่นะการให้ทานนี่ยนะอย่าลืมนะว่าบางครั้งเนี่ยต้องมีปัญญาด้วยนะบางทีมันเป็นโทษการให้ทานเนี่ยมันเป็นโทษ เหมือนบางคนเนี่ยไปให้ทานวงนอกมาออกก่อนนี่นะแต่ข้างในเนี่เราก็ไม่รู้เฉยบางทีเนี่ยความที่ไม่ค่อยได้รเราแยะไม่ได้ไข่ครวนใดต่างๆเนี่ยนะข้าเนาข้าเอ๊ะทำไมข้างในเนี่ยไม่มีอะไรกระทุงเลื่อยเลยล้ปประหลาดแท้บอกว่าแล้วยิ่งเฉพาะว่าถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มของคนไม่เข้าใจเนี่ยคนที่ไม่เจริญกุศลเป็นแล้วก็เป็นคนผ่านเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจออะไรเยอะมาก คือมันจะเจอสิ่งกระทบกลับมาเยอะมากดังนั้นก็วางใจให้เป็นเพราะบางทีเนี่ยบางทีเราเคยให้เคยสละพอไปไปมาเนี่ยเรากลับไม่ค่อยให้หรือให้น้อยเอาแล้วชัรู้สึกนี่นี่นี่นีทานก็ต้องสรุปก็คือเวลาให้ก็ให้ให้ปัญญาให้ความเข้าใจเขาด้วยนะเพราะตรงนี้สำคัญมากว่าบางทีเนี่ย คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะก่อจะให้เนะี่ยทําไมรู้ไหมผมจึงให้ถ้าคุยกับพระท่านใหม่ๆเนี่ยนะเพราะใช่ไหมเออทาไมถึงมีแจกทุกวันเพราะไหมเขารู้ไหมเพราะผมจะเจริญทานกุศลไงผมได้อาหารจากบินฑบาตมาผมก็สละหมดเลยอะไรเงี้ยนะเนี่ยผลของการดูสิเนะี่ยอาหารก็มาอย่างเงี้ยทั้งๆที่เราต้องสละออกสละออกเนี้ยเนี่ยสีเสียงกินรสนั้นไม่มีอะไรหรอกเนี่ยก็พยายามคุย ท่านก็เข้าใจท่านก็เอองงงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือท่านบอกมันมีนะให้ปัจจุบันผลมันก็มาเป็นปัจจุบันผลเออปัจจุบันเหตุที่ทํามันให้ผลในปัจจุบันก็เยอะนะอะไรเงี้ยอนุประหัตจะทานก็คือตรงเนี้ยบริจาคด้วยความไม่กระทบตนและผู้อื่นตรงนี้ได้ขับเน้นไปแล้วใช่ไหมว่าการกระทบเนี่ยไปไม่ใช่ตัวเอาวัตถุเป็นเกณฑ์นั้นตัวบุญเกิดมากเกิดน้อยมันวัดกันไม่ได้ก็มีอย่างนี้นะว่า ยกตัวอย่างเช่นบางคนถ้าในชั้นคําสอนเขาบอกว่าบางคนให้ทานสองถาดสามถาดใช่ไหมเราก็มาพิจารณาอู้คนนั้นให้ถึงสามถาดไม่ได้เราต้องแข่งกับเขาหน่อยเราให้สักสี่ถาดห้าถาดอันนี้กระทบแล้วนะถ้าปารบอย่างเงี้ยเป็นมานะคือทิฏฐิกับมานะนี่แหละที่มันเกิดขึ้นในใจนี่แหละนั่นหแหละตัวกระทบกระทั่งดูตัวทิฏฐิกับมานะจิตสองตัวนี่มันแข็ง มันแข็งกร้าวมากฉะนั้นสภาพกุศลเกิดขึ้นมาเขาจะทำลายลเนี้ยทานเจตนาทั้งหลายจะทำลายตัวทิฏฐิมณนะได้เนาะเป็นต้นดูตรงนี้ดูการกระทบดูตรงนี้แต่ถ้าปารภว่าเออคนนั้นเขาให้ทานสองสามกระถากระถาเนี่ยนะแต่คนเช่นเราถ้าให้แค่นั้นไม่สามารถทำลายมนทินคือมัชริยะที่เหนียวแน่นใน ใ, นใจเราได้ ฉะนั้นเราจะปลารลบสักสามสี่ถาดอันนี้ปรารลบขัดเก่าใช่ไหมถ้าปรารลบขัดเก่านี่ให้ไปเหอะอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่ากระทบตนและบุคคลอื่นได้ที่ตีมานะนะีอันนี้ก็เกิดเนี่ยถ้าให้ทานด้วยไหมไม่กระทบตนและไม่ผู้อื่นเนี่ยก็เป็นผู้ที่พั่งพร้อมด้วยพบชาติต่างๆสีเสียงกินรสต่างๆทรัพย์ก็พั่งพร้อมมากมายเนาะอย่างมหาสารแล้วก็ยังปลอดภัยจากอักคีภัยด้วย อุทกภัยราชาภัยโจรภัยคือไม่ต้องอพยพหนีกระสุนปืนเนี่ยคือชัดเจนอย่างเงี้ยไม่ต้องกไปที่ไหนโอ้โหก็ต้องคอยเดือดร้อนอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ที่เดือดร้อนคือเขาทําลายทรัพย์เรานั้นเนะี่ยใช่ไหมเพราะเราเคยกระทบกระทั่งใทางด้านกองไอ้ตรงนี้ก็ไว้นะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะอัคีภยอุทกภัยราชาภัยโจรภัย โรคหลานญาติมิตรทายาตไม่ดีทั้งหลายก็จะไม่เกิดมาเกี่ยวข้องตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นนะนะว่าเนี่ยเพราะการไม่มีสัพ ป, ปริสถานในด่ดีปัจจุบันเนี้ยเราจึงได้รับผลที่ดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมเป็นระยะระยะถ้าเราเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างเงี้ยเหมืออยากจะย้อนไปตอนเจ็ดขวบมาเนะีถ้าเริ่มรู้เข้าใจเรื่องสัพ ป, ปริสถานตั้งแต่นั้นมาแล้วจะเดินได้ยังต่อเนื่องเลยใช่ไหมนี่มีเวลาเดินอีกเท่าไหร่เนี่ย จะเดินุศลที่เป็นทานกุศลที่เป็นสัพพุริสทาน5ประการเนี่ยที่จะเป็นศรัทธาทานสั ก, กจจทานการาทานอนุขหิตตาทานและอนุปปหจตทานเนี่ยนะจะให้ทานด้วยศรัทธาอย่างแท้จริงกรรมและผลของกรรมให้ทานที่มีความให้โดยความเคารพนะทั้งสะอาดหมดจดทั้งกายกรรมวจิกรรมโนกรรมและวัตถุทานเป็นต้นก็สะอาดการทานเหมาะสมแก่าการนั้นๆอนุขหิตตทานก็คือให้ทานโดยการสละอย่างแท้จริง อนุภาจาทานก็คือไม่มีการกระทบตนและบุคคลอื่นทำไมเราจะเหลือเวลาให้ทานที่เป็นสัพเพลสทานเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่จะทําให้บริบูรณ์จริงๆอ่ะก็เหลือเวลาน้อยลงนะเหลือวลาน้อยลงแต่เราให้มาแล้วก็จงเอาอปปาราปะเจตนามาไข้ควรให้เยอะๆตรงนี้ก็จะเข้าใจเจตนาทานวัตถุทานอโลภาทานชัดขึ้นนะเมื่อเข้าใจ เจตนาทานวัตถุทานอโลภทานแล้วก็มีการว่าทานมีการบริจาคเป็นลักษณะโลภะวิธังสัญลักษณ์ก็ทำลายโลภะและภาวะวิภาวะสัมปัติปัจจุปทา น, นังก็ความสมบูรณ์แห่งพบชาติและพ้นจากภพชาติเป็นอาการปรากฏสัตยาประทัดฐานนังศรัทธาเจตสิกนะที่มีความเชื่อมัน่นมีความเด็ดเดี่ยวในทานอกุศลนะ่ะเป็นเหตุใกล้นะเป็นเหตุใกล้แล้ว ทำที่ทานกุศลปราบนี่นะถูกปราบที่ทานกุศลโลภะจะถูกปราบถูกทําลายไปเรื่อยเยใช่ไหมโลภะไม่มีโอกาสได้เงยศีรษะขึ้นมาแล้วปารลบทานกุศลทีลายเจตนาทานทีไรจะถูกปราบอยู่ตลอดใช่ไหมถูกทําลายอยู่ตลอดเข้าใจไหมไอตัวอะโลภะทานเนี่ยเด่นขึ้นก็เหมือนกับเขาถืออาวุธเลยถือถอาวุธไปคอยทําลายตลอดพรอโลภะจะเงยศีระมาก็ทําลายเอามัจฉริยาจะโผล่ขึ้นมาก็ ทำลายทำลายไปเรื่ อ, อยเงี้ยนะนี่ถูกทำลายแบบต่ทางค้ไปเรื่อยๆเงี้ยถูกทำลายแบบตะทางก้าอาหารไปเรื่อยๆน่ะข้าวน่ะข้ากําลังเขาจะอ่อนแอไหมโลภะก็เริ่มอ่อนแอมัจฉริยะก็เริ่มอ่อนแอแล้วตอนนี้อ่อนแอไหมในโลภะกับมัจฉริยะถ้าเริ่มอ่อนแอเนี่ยแปลว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าไม่ได้แปลว่าโอ้โหดีทานกุศลแข็งแรงแต่ถ้าทานกุศลไม่แข็งแรงไอ้ตัวนี้มันจะแข็งแรงเองเนะ อโลพากับมมัจจริยะจะแข็งแรงเองนะแต่เนี้ยเห็นอะไรก็ยึดหมดเลยแต่เนี้ยยึดติดจะเอาจะได้จะเอาจะได้จะเอาไม่สลาไม่เป็นแล้วยมทุมชัดเยอะนีอย่างแต่เนี้ยแล้วตรวจสอบตัวเองได้ไหมแบบเนี้ยนะต้องกลับไปก็ไปดูดูสิ่งของต่างๆเราต้องเห็นทุกวันไหมนั้นถ้าหากว่าอะโลพาธานเด่นขึ้นก็เริ่มโลพานถูกปราบถูกทาลายมัจริยะก็ถูกทาลาย แต่ทำลายแบบแต่ทางค้าเนะถูกทำลายทำลายทำลายตรวจสอบได้ไม่ยากหรอกใจเรารู้ใช่ไหมถ้าไม่สังเกตใจเราเลยเราจะรู้ไหมว่าทานกุศลมันตั้งมั่นไหมเจตนาทานอโลภาทานเนี่ยตอนนี้ก็สังเกตได้นะแล้วให้สังเกตนะว่าพอเกิดศรัทธาคิดถึงทานแล้วฟลูขึ้นเลยใจเนะี่ย ใจฟูขึ้นคิดถึงทานที่เคยให้ก็ดีทานที่เจะไปให้ก็ดีหรือในขณะให้ก็ดีถามว่าการไหนบ้างที่เจริญทานในเจตนาไม่ได้ก อ, อเจริญทานกุศลไม่ได้ไม่มีเลยนะเนี่ยใช่ไหมก่อนก็ได้ขณะก็ได้หลังทํามาก็มีตั้งเยอะแยะใช่ไหมยามใดเครียดวิตกกังวลนึกถึงทานนี่นึกถึงเจตนาทานสิที่เคยให้เคยสละมาจิตใจก็โน้มได้แล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ได้แล้ว ไอ้ความตนีไอ้ความตนหนีมันอยู่กลุ่มกับโทสะเนี่ยไอ้ตัวโลภะ ท, ทั้งหลายก็ถูกทําลายจิตใจจะจะแข็งแรงขึ้นไหมทาที่รับอนุ ญ, ญาตจากทานอกุศลก็คือว่าอโลภะเด่นขึ้นไหมเราจะดูตรงไหนอโลภะเด่นหรือไม่เด่นความไม่ติดข้องนั่นแหละที่ยอ ม, มยอมอิ ง, งานเราจะใช้คําว่าอะไรจะใช้คําว่า จะใช้คําว่าขัดเกลาให้ให้ให้เพื่อขัดเกลาใช่ไหมให้เพื่อไม่ยึดติดให้เพื่อสละไอ้ตรงเนี้ยคือตัวนี้ต้องเด่นเนี่ยตัวโอโลพะเนี่ยเด่นเพราะเหมือนน้าที่กลิ้งบนใบบัวแล้วเขียนอะไรต่างๆไปเสร็จไม่ไม่ยึดติดแหละอย่างเงี้ยนะเพราะโอโลภาเด่นเพราะอะไรไ ผลของทานแม้มากมายเพียงใดที่จะได้ผลในภพชาติะนะฮะก็ให้เป็นไปเพื่อความซาออกทั้งสิ้นคะให้ใส่ทุกครั้งนี่แหละนี่แหละอโลพะนี่การปลุกร้าอโลพะทานเนี่ย<อ>การตั้งนี้ว่าเ<อ>พราะว่าให้คิดเือว่าทานที่ทำเนี่ยผลมาเนี่ยเพราะเชื่อมั่นมีสตาทานใช่ไหมแต่ถ้ามาแล้วจะตั้งรับเันอยังไงจะตั้งรับยังไงตั้งรับแบบยินดีเพลิดเพลิน หรือตั้งรับมาเพื่อจะกระจายให้มากขึ้นน้ำใช่ไหมตอนนี้น้าในสระยังไม่ยังไม่สระตัวสระอาจจะใหญ่ไม่แต่น้ำมีน้อยใช่วันนี้เรามีอุบายวิธีในการวิทน้ำจากสระแล้วไปเปล่าพรมต้นไม้ใหญ่หญหญต้นไม้ใหญ่หญเขียวจะอมและดึงเมฆฝนบนอากาศดึงดึงดึงฝนดึงแรงต่างลงมาได้ใช่ไหม เต็มไปหมดใช่ไม่ฟังแล้วเราก็กระจายได้กว้างขึ้นไหมกระจายน้ําไปรดต้นไม้ได้มากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าบอกว่าน้ําเต็มสระแล้วเราจะเอาไว้ใช้จะหวงแล้วแล้วเราพอแล้วยึดติดตรงนั้นอันนี้ไม่เป็นไปเพื่อการสละออก mm. ใช่ไหมเราต้องสละเรื่อยๆไหมสามารถจะพรมโลกนี้ทั้งโลกให้ชุ่มฉ่าได้นั่นแหละทานของบริษัทเป็นอย่างนั้นแหละทานทานกุศลของบริษัทเนี่ยเป็นอย่างนั้น พรมโลกทั้งนี้ให้เย็นได้ให้ชุ่มฉ่าได้ทุกคนได้ประโยชน์ได้เหมือนกับเม็ดฝนตกลงมาเนี่ยเม็ดฝนตกลงมานั่นแหละบุญของพวกพุทธยาาท่านต้องขับเน้นกันอย่างนั้นเลยนั้นธรรมที่ธรรมมสวนอน ญ, ญาตให้เกิดขึ้นอโลพะแล้วจังสังเกตว่าอโลพะเนี่ยเมื่อได้สิ่งของต่างๆมาก็ไม่ยึดติดโอ้โหถ้าจะมองให้ยึดติดเนี่ยวัตถุแยะไปหมดมันน่ายึดติดหมดใช่ ถ้ามองไม่เป็นไม่ฉลาดในการคิดใช่ไหมการยึดติด จ, จะจะเกิดอย่งมากมายเลยแล้วอุปาเทตปัพผัดผธรรมมากก็คือทมที่ทานกุศลทำให้เกิดขึ้นกับมรรคต่ำสามผลต่ำสามมุ่งหมายด้วยทานกุศลที่เป็นอุปธรรมพกสติอันนี้ก็คือว่าในด้านของอุปธรรมพกสติให้เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นชัดว่าทานกุศลจริงอยู่ ตัวมรรคกุศลเนี่ยใช่ไหมอย่าลืมนะว่าศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลหรือศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาที่สามารถไปประชุมกับมรรคขจิตผลจิตได้เพราะทานกุศลอุปถรัรมภ์นะเป็นอุปนิสัยปัจจัยเรามองเห็นอย่างนี้เราก็โอ้ทานกุศลที่กําลังทําไปเนี่ยเป็นไปเพื่อมรรคผลโดยแท้ เป็นไปเพื่อการปรินิพานโดยแท้ดูอย่างนี้แล้วก็มองได้ตลอดสายใช่ไหมก็ไม่ติดขัดแล้วเอาเวลาที่เหลือให้ถามที่ตั้งเวลาไว้ตรงนี้ตอนนี้ก็ชัดเจนนะนะจะได้ขึ้นศีลได้นะต่อไปนะก็ชัดเจนในทานใกุศลทีนี้ใครยังใครยังคล่องใจหรือใครมีทัศนาใดๆ ที่มีความหลากหลายในด้านของทานกุศลชัดเจนขึ้นหรือการวิจัยที่จะเข้าลงลงรายละเอียดในทางด้านของกายกรรมที่เป็นทานกุศลวจีกรรมที่เป็นทานกุศลและมโนกรรมที่เป็นทานกุศลชัดเจนขึ้นก็ลองแสดงทัศนะออกมาดูทีหรือหรือตรงไหนที่ยังมองแล้วยังน่าจะมานั่งวิจัยใครควรพิจารณาเพื่อจะได้เป็น เป็นเหตุแก่ ก, การที่จะได้ไปเดินไปเร่รดมให้ทานเจตนามันชัดเจนขึ้นอ้าวว่ามามีไหมไม่มีเลยสงสัยแสดงว่าในที่นี้เข้าใจกันหมดเลยต้องตั้งคำถามนะอ้าวเอาเลยกราบนมัสการคะ่ะท่านพระอาจารย์อยากจะเรียนถามท่านนะคะว่า เราจะทำทานกุศลแล้วก็พิจารณาจากทานกุศลให้เป็นภาวนากุศลที่เกิดขึ้นทางกายวาจาใจได้อย่างไรคือคือตรงนี้มันมันมันยังข้ามศีลไม่ได้นู่เออยังข้ามศีลไม่ได้เอ อ, เ อ, อคือจริงๆริงท่านจะเรียงลำดับว่าทานกุศล กายกรรมที่เป็นทาน ก, 30, ทกุศลวัจจีกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานกุศลท่านก็อกกายกรรมที่เป็นศีลกุศลกายกรรมที่เป็นใช่ไหมวจีกรรมที่เป็นศีลกุศลมโนกรรมที่เป็นศีลกุศลแล้วก็บอกกายกรรมที่เป็นภาวนากุศลวัจจีกรรมที่เป็นภาวนากุศลมโนกรรมที่เป็นภาวนากุศลท่านจะตั้งหลักอย่างนี้ท่านจะไม่โดดข้ามจากทานไปหาภาวนาเนาะท่านจะไม่รัดขั้นตอนอย่างนี้ท่านลำดับอยู่ทีนี้ ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเอามาตั้งคาถามตรงนี้ก่อนดีไหมเพราะเวลาเหลือน้อยก็คือตั้งคําถามก็คือว่ากรณีแห่งทานนากักรุสนี่ยเนี่ยตัวทานนากุศลถ้าถามว่าตัวเจตนาตัวเดียวเท่านั้นใช่ไหมที่เป็นทานสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกันกบทานนากุศลจัดว่าเป็นทา น, นากุศนทั้งหมดไหม เวทนาที่ประกอบเป็นทานกุศลไหมสัญญาที่ประกอบใช่ั้ยแล้วก็สังขารละขันธ์อื่นๆล้วนเป็นทานกุศลหมดไหมสรุปแล้วทานกุศลจริงๆขับเน้นไปนตัวที่ตัวไห น, เ, นเจตนาเป็นประธานก่อ น, นใช่ไม้มอโลเพื่อจะทำให้อโลพานั้นเด่นขึ้ น, นใช่ไม้ม สรุปก็คือพูดถึงกลุ่มของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันใช่ไหมแล้วเมื่อพูดอย่างนี้แสดงว่าขันสี่แสดงแล้วแล้วโลกประขันควรจะเป็นทานอะไรดีต่อไปโลประขันที่เหลือจะจะจัดเป็นทานอะไรมหาภูธาโรกและอุปาทายรูปที่นามขันเหล่านั้นอาศัยเป็นไปอยู่จัดเป็นอะไร จะเป็นวัตถุทานเลยเห็นไหมว่าในในกระแสขันที่เป็นไปกับกุศลนะต้องได้รายจับประเด็นได้นะในกระแสของชีวิตในกระแสของรูปนามกันห้าเนี่ยที่เป็นไปกับกุศลเนี่ยนะตัวนามธรรมเป็นเป็มีเจตนาทานเป็นกุศลไปส่วนรูปธรรมทั้งหลายก็เป็นวัตถุทานไปเห็นไหมมองเห็น่อย่างนี้แยกออกมาเป็นรูปเป็นนามได้แล้วนะ ท่านทำไมเบื้องต้นท่านทำไมต้องขับเน้นตัวรูปธรรมให้ดูเพราะถ้าเราจะให้มองนามาธรรมอย่างเดียวเลยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนท่านถึงขับเน้นว่าตัววัตถุทานใช่ไหมก็มาไล่เรียงเยอะหมดเลยในชั้นคำสอนนะนะจับประเด็นคำสอนให้ถูกว่าในท่านวัตถุทานจีวะาทานบินทบาททานเสนาสนาทานเพสัจทานอันนี้กลุ่มกับวัตถุหมดเลยไหมเนี่ยแยกเป็น4ี่เนี่ย จีวาราทานก็คือถวายกลุ่มจีวรกลุ่มวัดเสื้อผ้ากลุ่มของใช้ที่เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มบินทบา ท, ทานเกี่ยวกับอาหารเสนาสนะทานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทั้งอุโบสถทั้งอุดีอะไรต่างๆเยอะแยะถ้าเป็นของชาวบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยทั้งหมดเภสัชจาทานก็กลุ่มยาทั้งหลายกลุ่มวิตามินที่มารักษาโรคทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้4อย่างนี้ขับเน้นตัววัตถุเลย อันนี้ตามในย่าพาสูตรนะท่านในย่าพระพิธรรมก็อันนังปานนังกระรางวัดถังอัสิบอย่างอ่ะให้ข้าวให้น้ําเปตั้เหล่ายเนี้ยนะจนถึงให้แสงสว่างเป็นที่สุดเห็นไหมว่าตัววัตถุเหล่านี้ถ้ามาสรุปประเด็นในร่างกายของเราก็มีวัตถุอยู่ใช่ไหมถ้ามาว่าโดยสภาวะของปรมัตถธรรมใช่ขันห้าไม้มในกายของเรากลุ่มนามารมกินไปสี่ขันรูปขันก็ได้ อีกหนึ่งใช่ไหมหนึ่งขันก็คือหมหาพุทรูปแล้วอุปาทายรู ป, ป, รา ท, ารปทีนี้ถ้าเราจะมองว่าทำไมเราจึงยึดติดอตอบได้ไหมว่ า, างไงไม่ใช่ทำไมเราต้องยึดติดสิ่งของไม่ค่อยกล้าสละกันเหลือเกินอ่ะเพราะอะไระ ใ, ชใช่ไหม เพราะความตนนีทำไมจึงต้องตันหนี<ม>อะไรึงเป็นเหตุทาให้จิตตันหนี่ า, า, นายใบใหญ่เลยสตาอ่อนเป็นต้นเลยนะทีนี้ทีนี้อย่าลืมนะนี่ดรดาสองอย่างนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมโดยโดยโดยบัญญัติต่างกันหมดเลยเนาะ เนี่ยเยโดยบัญญัติต่างกันหมดเลยแต่โดยความที่เราไม่ฉลาดในบัญญัติไงแล้วก็ไม่ฉลาดในปรมัตดนี่แหละตัวสัมปชานาทานเนี่ยไม่เกิดเนี่ยสัมปชา n a าานางเนี่ยไม่เกิดเนี่ยนะไม่ฉลาดในบัญญตัติว่าบัญญัติเนี่ยโดยสรุปคือจริงๆผลเหล่านี้มันมาจากขีดในดีดเหมือนที่ยอมยิ่งกานพยายามบอกว่าเมื่อได้ผลทุกอย่างจากสละจากสละทั้งนจะไม่เป็นไปเพราะการติดข้องอ่ะ เมื่อผลของทางเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าถ้าสัมปชาน a ทานเกิดขึ้นจะพิจารณาเห็นเข้าใจแล้วว่าผลที่ได้ทุกอย่างเนี่ยมาจากอดีตเหตุมาจากอดีตเหตุแต่แล้วถ้าหากว่าเกิดความยึดติดในปัจจุบันแปลว่าปัจจุบันเหตุเรากําลังจะเสียหายความไม่เข้าใจในเรื่องของสภาวะบัญญัติและสภาวะประมาตถิที่แท่งทองแท้ปัญญาไม่ทํำกิจเห็นไหม การให้ทานถ้าไม่ขับเน้นปัญญาให้เกิดมาเข้าใจความจริงของสิ่งนี้ขึ้นมาว่าแท้ที่จริงก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมที่สัพโลกบัญญัติว่านี้เป็นเงินนี้เป็นทรัพย์นี้เป็ น, นเครื่อหาดนี้เป็นสะนี้เป็นตําแหน่งหน้าที่นี้เป็นการงานนะถ้าไม่บัญญัติอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ไปติดมันคล้องกับบัญญัติเหล่านี้ความยึดติดจะไม่ค่อยแข็งแรง นี้ถ้าเราเข้าใจทั้งสองส่วนว่านี้บัญญัติแล้วก็ความจริงของสิ่งนี้ก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์เพราะเจตนากรรมที่ทําไปเป็นนามธรรมผลมีสองส่วนวิบากส่วนหนึ่งที่เป็นนามธรรมที่ได้รับคือเห็นได้ยินได้กลิ่นอีกส่วนหนึ่งคือมาเป็นรูปธรรมคือมาพูดและอุปาทายรูป ก, ก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ถ้าเข้าใจความจริงตรงนี้เสีย ความยึดติดวัตถุสิ่งของจกน้อยลงไห ม, ไมไเพราะเข้าใจบัญญัติและเข้าใจความจริงของสภาวะจิตตามความจริงด้วยฉะนั้นเวลาเราศึกษาคำสอนเราจึงศึกษาทั้งบัญญัติทั้งสภาวะปรมัตธรรมความชัดเจนก็จะเกิดขึ้นแล้วต่อไปปัญญาก็จะเริ่มพิจารณาแยกแยะเป็นเริ่มแยกแยะเป็นแล้วจะไหมว่าอ๋อบัญญัตินี่ทาให้เราหลงติดยึดมากเลยอะ ถ้าเราเข้าใ จ, จมันจะไม่ยึดติดและจะเข้าใจและจะสามารถเจาะเข้าไปถึงสภาวะปรามาสได้ว่าโอแท้จริงก็คือสีในนั้นก็มีเสียงในนั้นก็มีกลิ่นในนั้นก็มีรสในนั้นก็มีสัมผัสในนั้นก็มีสภาพธรรมารมสิ่งเหล่านี้มันมาจากอดีตเหตุมาจากอดีตเหตุถามว่าอบายศัตร์เขาก็มีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารม มนุษย์คนบอดคนใบ้คนพิการบอดหนวกทั้งหลายาก็มีสีเสียงก ล, ลิก่นรสและธรรมอารมณ์แต่สภาพเหตุการณ์ที่เขารับแตกต่างกันออกไปก็ว่ากันไปแม้คนจนคนรวยทั้งหลายก็มีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์แต่ประณีดหรือหยาบต่างกันตามสภาพของเหตุในอดีตผลที่ได้รับในปัจจุบันก็ต่างแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์แต่ไหมบัญญัติก็เข้าใจสภาพปรมาตัตดก็เข้าใจ ความเข้าใจในลักษณะนี้เป็นสัมปชาน а ทานไหมมีความรู้ความเข้าใจด้วยเข้าใจกรรมไหมเข้าใจเข้าใจผลของกรรมแล้วก็ขับเน้นกรรมได้ถูกแล้วก็เพื่อผลของกรรมได้ถูกและเมื่อผลของกรรมแล้วตามสนองมาก็ไม่ยึดติดอย่างที่โยมได้ตั้งหลักเขาไว้ได้จริงหรือเพราะว่าหนึ่งตั้งอัธยาศาัยถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มพูนความเข้าใจเพราะจะต้องทําให้อโลภะฌานเด่นขึ้น ทำให้อโทศาสเด่นขึ้นและในส่วนจริงไปกระตุ้นปัญญาที่เป็นกรรมสกตาสมาธิฐิให้ชัดขึ้นเพราะสภาพของกรรมสกทาสมาธิินั้นเกิดได้ยากนั่นเองเป็นธรรมชาติที่เกิดได้ยากสําหรับผู้ที่ไม่ค่อยไข่ควรเหตุและผลตามความเป็นจริงทุกๆเรื่องที่เราได้รับทุกๆเรื่องที่เรากระทําอยู่ถ้าเกิดเข้าใจทุกเรื่องที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัส ทั้งหลายเหล่านี้เป็นผลจากอดีตทุกเรื่องที่กําลังทำทางกายทางวาจาทางใจอันนั้นเป็นเหตุในปัจจุบันที่จะทาเพื่อผลที่จะเกิดในการต่อไปถ้าเข้าใจอย่างนี้เหตุผลจะเริ่มมาสัมพันธ์ในการกระทาในการรับก็จะชัดเจนขึ้นไหยก็จะเห็นความชัดเจนของกุศลและอกุศลจะเห็นความชัดเจนของการจเจริญทานอากุศลของเราได้เด่นชัดขึ้นปัญญาก็จะมาทากิจได้ชัดขึ้น จนในที่สุดถ้าเราบอกว่าเห็นไหมนต่เข้าแต่เข้าโอ้พอเข้าใจสรงนี้ก็จะเกื้อกูลต่อการที่จะเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาค่อนข้างชัดเจนขึ้นอ้าวถามอีกข้อทีนี้อามิสสถานนะอามิสสถานกับธรรมทานเนี่ยอามิสสถานกับธรรมทาน ถ้าถามว่าหนังสือเป็นอมิสตานหรือเป็นธามารันเป็นอมิสตาลหรือเป็นธรมารันเอเห็นไหมเนี่ยเริ่มจะมองเห็นแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเริ่มจะมองเข้าใจแล้วใช่ไหมบางทีว่างให้แบบชำร่วยไม่ได้คํานึน่งเขาจะเป็นอมิสถานทัน ท, ทีเลยนะ่ ใช่ไหมแต่ถ้าขับเน้นว่านในนี้มีสาระคําสอนที่จะทําให้คนเข้าใจต่างๆก็ทำเออเป็นธรรมทานเ ร, เริ่มจะเริ่มจะเห็นไหมว่านอกจากทานกุศลแล้วยังต้องมีสัมปชาญทานก็มาวิจัยจริงๆใช่ไหมการให้ทานนี้จะอยู่เพียงแค่สักแต่ว่าให้ไม่ได้แล้วนะจะต้องมีความเข้าใจแล้วคําว่าสหายทานกับสามีทานเนี่ยสามีทานเนี่ย ต่างกันไหมต่างยังไงเออเออนี่ไงออนี่ น, นี่เห็นไหมก็เข้าใจแล้วไหนว่าพูดไม่ได้ <c oughs> โ, อ <c oughs> โอ้โหนี่ต้องต้องแอบถามจริงๆกันนะออเ <c oughs> นี่ยตรงนี้เห็นไหมว่า ให้ของที่เสมอกับตนเองที่ใช้ก็ให้ของที่ประนีตกว่าแต่ทั้งหมดเหล่านี้ขับเน้นที่เจตนาที่ประณีตด้วยเนี่ยเนยีที่เป็นไปกับศรัทธาทานเป็นไปกันในเรื่องของสักกัจจทานการาทานอนุขหิตะทานและก็อนุปหจจทานเนี่ยต้องขับเน้นในลักษณะอย่างนี้ในเรื่องของขอ ง, ของทานต่างๆนี่ถ้าเราถ้าเราเริ่มมองแล้วก็เริ่มแยกแยะเป็นเนี่ยมันจะได้เจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ในเข้าในาเข้าเนี่ยทั้งปบพระเจตนาบุญจะอปรัจเจตนาจะแข็งแกร่งแล้วจะเป็นผู้เตรียมตัวน้อมก็สู่ศีลตอนี้เวลาเดินก็ก็ศีลศีลกุศลนี่นะจะเดินต่างจากในอดีตศีลกุศลจะแข็งแรงแล้วทอนนี้ไม่ใช่เป็นศีลกุศลนิอ่อนเนี่ยเพราะถูกผลักดันมาจากเจตนาทานอโลภาทานและผลักดันจากวัตถุทานแล้วก็วิรติทานที่แข็งแรงศีลกุศลก็จะค่อนข้างมั่นคง ใช่ไห<สบ>ตอนนี้จะเป็นไปเพื่อการปรับจิตเพื่อการที่จะปงแต่งจิตบริหารจิตทําให้จิตนั้นอ่อนโยนแล้วก็เหมาะสมต่อการที่จะฟังอริยสัจชัดเจนขึ้นเนะใช่ไหมเพราะต่อไปเวลาท่านเดินศีลาฐาเบียเศษท่านก็จะไปเดินในเรื่องของศักขคถาโอ้ยท่านจะพูดถึงในเรื่องของสวรรค์ที่ดูเยอะแยะใช่ไหมผลของทานอย่างมหาศาลเลยตอนเนี้ยเยอะแยะเบียเศจ เอาทั้งผลของพระศ า, าสดามากล่าวไว้บอกว่าในยะว่าผลของทานที่ส่งผลให้กับพระโรมศาสดาในภพสุดท้ายเนี่นะบางทีนี่เป็นเลยร้อ ย, อยเปน็นพันๆเริ่มเกวียนนะต้องมาจอดรอที่จะให้ทานถวายแด่พระศาสดาพระผู้เจ้าพระธรรมประสงค์เนี่ยขนาดนั้นเลยนะที่พระองค์ทําไว้เนี่ยเพราะว่าโอ้โหอัตภาพสุดท้ายแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะหมดโอกาสให้ผลในทําลองอย่างนั้นนะใช่ไหมอย่างอย่างนั้นเลยทีเดียวก็วก็จะ ขับเน้นพบภูมิต่างๆให้ดูว่าผลของผลของการให้ผลของการรักษาศีลเป็นต้นอะไรเนี่ยทําให้เกิดในพบภูมิที่ดีเป็นต้นยังไงสวรรค์ใช่ไหมต่อไปพอก่าวถึงสวรรค์เบ็ยดเสร็จท่านจะกล่าวถึงกามาทีนวะใช่ไหมกล่าวถึงโทษเล ย, ยเนี้ยท่านบอกว่าไงเหมือนอย่างนี้ท่านออ ม, มาไว้เงี้นะว่าพอประดับปะดานีย เช่นภาษาสดาเน่ยเริ่มตั้งแต่ทานกระถาศีกระถาสัขากขกถาก็เหมือนกับเนื้พอพราะสัขกขะกถาเบียเสร็จเนี่ยเหมือนๆว่าประดับประดาช้างอะ่ะได้ช้างทิ้งงดงามเป็นคดชะสารมาเลยนะเบเสร็จก็ประดับประดาอย่างสวยงามเลยคนก็เพื่อเพลินอยู่ดีๆนี่นะกําลังเพืิดเพลินอยู่ดีๆในบัดดลนั้นน่ยนะท่านก็ตัดงวงช้างให้ดูเลยตัดงวงช้างให้ดู เ, เห็นโทษไหม โอ้โหแต่เนี้ยเห็นโทษของกามกามมันพังได้นี่อไอตัววัตถุ ก, กามทั้งหลายนี่นะพะภูมิมทั้งหลายเหล่านี้พังได้ใช่ไห ม, มก็ดวงดูเลยพภูนของเท้าสกาเวชยันปราศาทเนี่ยแค่หัวเมเท้าของพระเถระไปขยับนิดเดียวยังหวั่นยังจะพังเอาให้ได้ไม่ได้มีความมั่นคงเลยถ้าเรามองดูแล้วนี่นะระดับ สล้านปีทิพย์มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้นะกว่าปีทิพย์ของมนุษย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยแม่พระอริยพระทหารระดับลูกศิษย์พุทเจ้าใช้หัวเมถาวรไปขยับนิดเดียวโอ้โหสะเทือนสถานร้องกันหวีดหวิวเลยนะถึงแสดงถึงความไม่มั่นคงเหมือนหักวงช้างให้ดูเลยเนหะมือนตัดวงช้างให้ดูเลยวนะ่าเนี่ยไม่ได้มั่นคงอะไรเลยช้างตัวเนี้ยฉะนั้นตึกขนาดเนี้ยไม่ได้มั่นคงใดๆเลยนะเนี่ย ท่านแสดงโทษให้ดูแล้วจะได้รู้จักสะหดใจจะไปเห็นโทษไงเห็นโทษของวัตถุกรรมทั้งหลายเห็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นโทษของทรัพสมบัติทั้งหลายว่ามันของชั่วค้าวเป็นของยืมเข้ามาอย่างไรท่านก็พาลนาโทษอีกเยอะเลยอันนั้นก็ท่านก็ปรุงแต่งจิตเพื่ออะไรเป้าหมายเพื่ออริยสัจเห็น ไ, ไหมเพื่ออริยสัจทีนี้อย่างเราท่านทั้งหลายเราไม่ได้ถูกตกแต่งจิตกันมาอย่างนี้เนาะ คือตกแต่งมาจริงวันนี้ตกแต่งแบบย่อมาเนะี่ยพอไม่ตกแต่งย่อมาจิตก็เลยไม่น้อมออกจากการ ม, อมพอยังไม่น้อมออกจาจก ร, รมว่าไปเรียนอริยาศัสตร์แต่นี้ก็เรียนอย่างจิตที่ยังหยาบเลยแต่นี้แต่นี้ก็เลยอ้าวเรียนแบบโอ้โหเข้าใจได้ยากบ้างหรือเรียนแล้วเหม่เเเ่เกินเกินเกินเหียเนี่ยนะไอ้ตรงนี้ก็ถ้าเราถูกปูพื้นฐานมาอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โห ฟังกันเอาจริงเอาจัางนี่นปูแต่งถูกปรุงแต่งมาอย่างนี้จริงๆนะแล้วสรุปรองอริยสัจชัดแล้วมีความเข้าใจอย่างชัดนี่ถ้าต้องการก็ศึกษาให้เข้าใจแล้วไปฟังจากพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปดีไหมอีกหนึ่งนันตะละกลับเราจะ ไ, ได้ฟังอย่างลึกซึ้งเลยน <laughs> ะใช่ไหมภาษาสระจะสอนอย่างลึกซึ้งเลย <laughs> <laughs> ใช่ไห เออใช่ตรงนี้นะ อ, อ่ะเมื่อกี้ใครตอบว่าไม่เอาไม่เอาหนึ่อแต่ละกับแล้วจะเอาอะไรตอนนี้แล้วจะทำยังไงต่อหรืออยู่อย่างนี้ต่อนะงั้นตรงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะนะต่อไปก็เดี๋ยวอุทิศ ส, ส่วนกุศลกันนะตั้งใจบุญกุศลที่ได้